การที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะการที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่าพระพุทธศาสนานานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง และการปรากฏของพระพุทธศาสนาก็อยู่ไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นพระพุทธศาสนาก็จะหายไปจากโลกนี้จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอน มาก่อตั้งพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งการที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากและอาจจะไม่ตรงกับจังหวะที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกบางทีเราอาจจะมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้ นนการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นของที่ยากมากยากยิ่งกว่าการถูกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งเสียด้วยซ้าไปการถูกรัตตรีรางวัลที่หนึ่งนี้มันก็ยากเสียากไม่มีคนที่จะถูกกันได้ทุกทุกคนมีคนจำนวนน้อยมาก ที่จะได้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งกันเพราะเป็นรางวัลที่ถูกได้ยากอีกอย่างหนึ่งที่การได้พบกับพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งก็คือรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเป็นของที่มีคุณค่าล้ำค่ามาก เหมือนกับรางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี่ตัวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็จะได้รางวัลได้เงินมากรางวัลของพระพุทธศาสนาก็มีคุณค่ามากมากยิ่งกว่าคุณค่าของรา ง, รงวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี่เสียอีกนี่คือ เรื่องของการเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้ไม่มีรางวัล อ, อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาเทียบคุณค่าได้เพราะรางวัลที่พระพุทธศาสนาที่เราจะได้รับนั้นเป็นรางวัลที่ไม่มีรางวัล อ, อันใดในโลกนี้สามารถที่จะ ให้กับเราได้นั่นก็คือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจอย่างถาวรการได้พบกับความสุขอย่างถาวรการได้สิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขอย่างถาวรได้นี่คือรางวัลของพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบกับรางวัลที่หนึ่งก็เป็นรางวัลที่ได้เงินมากที่สุดในบรรดารางวัลทั้งหลายแล้วพอเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเราต้องทำอะไรต่อไป เราก็ต้องเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นรางวัลถ้าเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆเราก็จะไม่ได้รับรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นก็จะกลายเป็นก็เป็นกระดาษเปล่าๆใบหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีคุณค่าอะไรถ้าเราต้องการรับรางวัลของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องไปที่สำนักสลาก สาระงานสลากินแบ่งแล้วก็เอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงินขึ้นรางวันถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่ได้รางวันฉันใดพอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว<ม>เราก็ต้องไปขึ้นรางวันที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าพบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ไปขึ้นรางวัน เราก็จะไม่ได้รับรางวัลวิธีที่จะขึ้นที่จะไปรับรางวัลจากพระพุทธศาสนานี้เป็นอย่างไร<ม>การที่เราจะรับรางวัลจากพระพุทธศาสนาได้เราก็ต้องไปศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงอย่างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไร เหมือนกับเวลาที่เราจะไปขึ้นรถขึ้นรางวันลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องไปถามที่สำนักงานสลากกินแบ่งว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะรับรางวันได้ทางสำนักงานเขาก็จะต้องบอกว่าอาจจะต้องเอาเอกสารต่างๆมายืนยันว่าคุณเป็นคนคนนี้เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ใบนี้ เราก็ต้องมีการกรอกข้อความอะไรต่างๆก่อนที่เขาจะให้รางวัลกับเราอันนี้ก็เป็นการศึกษาเราต้องถามเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งก่อนว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเขาบอกแล้วว่าต้องเอาใบรอตตรี่มายืนยันว่าเป็นของคุณแล้วก็มีหลักฐาน ยืนยันว่าคุณเป็นใครเราก็ต้องทาตามที่เขาบอกตามขั้นตอนที่เขาบอกให้ทำพอเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่เขาบอกให้ทำแล้วเขาก็จะให้รางวัลกับเรามาเช่นเดียวกับรางวัลของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไปสอบถามพระพุทธธรรมประสงค์เจ้าของศาสนาเจ้าของรางวัลว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะได้รับรางวัลของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกท่านก็จะได้บอกเอาว่าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องละการกระทำบาปทั้งปวงเราต้องอย่างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือ ขั้นตอนของการที่เราจะรับรางวัลจากพระพุทธศาสนาขั้นตอนแรกต้องไปสอบถามพระพุทธศาสนาก่อนสอบถามจากพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีท่านทั้งสามนี้สามารถให้คำตอบวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาให้กับเราได้พอเราได้สอบถามแลวได้ข้อมูลมาแล้ว เราก็ต้องทำตามที่เขาสั่งให้ทำเขาสั่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวง เ, เราก็ต้องรักษาศีลกัน เ, เพราะการรักษาศีลเป็นวิธีที่จะละการกระทำบาปนั่นเองศีล เ, เราก็เริ่มต้นจากศีลขั้นต่ำไปก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปตามศีลขั้นสูงตามลำดับต่อไป ขันต้นก็นรักษาศีลห้าต่อไปก็เพิ่มเป็นศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยีิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าอันนี้ก็เป็นการละการกระทำบาปั้งป่วงการยังกุศลให้ถึงพร้อมก็ทำความดีต่างๆให้ถึงพร้อมเช่นการทำทานทำบุญทำทานการ รับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นการามีความกระตันยูกระตะเวทีแล้วก็การกระทำความดีต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นกุศลแล้วเราก็ไปทำข้อที่สามก็คือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กาจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอกุศลหรือเป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองทําให้จิตใจเราหิวโหยทําให้จิตใจเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยต้องชําระสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากใจพอได้ชําระแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นวันสิ้นสุดขึ้นมานี่คือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคือรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถ ให้รางวัลอันนี้กับพวกเราได้ต่อให้ได้เงินทองมากองมาเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เงินทองทําได้อย่างมากก็ช่วยดับความทุกข์ทางร่างกายในระดับหนึ่งเวลาอดอยากขาดแคลนทุกข์ยากลําบาก ก็สามารถใช้เงินทองอมาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลาบากได้แต่ก็มีขีดที่ไม่สามารถทำได้เวลาทุกเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้เงินทองมีมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สามารถมายับยั้งมันได้แต่ถ้าเราได้รางวัลจากพระพุทธศาสนานี่เราจะ ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายได้หมดถึงแม้ร่างกายจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรแต่ใจเราจะไม่ทุกข์กับมันเลยใจเราจะเหมือนกับตอนที่ร่างกายอยู่สุขสบายไม่มีความแตกต่างเวลาร่างกายอยู่อย่างสุขสบายหรือเวลาร่างกายทุกข์ยากลำบากใจก็สงบสบาย ไม่ทุกข์มีความสุขอันนี้เป็นรางวัลของพระพุทธศาสนาถ้าใครได้รับรางวัลนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์กับร่างกายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรอย่างไรจะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์ใจจะไม่สุขไม่ใจจะไม่ทุกข์ไปกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย ใจก็ไม่ทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอร่างกายจะไม่มีใจก็ไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายใจก็ยังมีความสุขได้เหมือนเดิมจึงไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้ที่มีความสุขทางใจผู้ที่ได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาจะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะการเกิดใหม่มันไม่ดีเพราะเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกนั่นเองอนี่คือรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเราต้องไปขึ้นรางวัลตอนนี้พวกเราเกิดมาเป็นชาวพุทธกันได้มาพบกับพระพุทธศาสนากัน ก็เหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเรามีลอตเตอรี่หนึ่งใบที่เราสามารถเอาไปขึ้นเงินขึ้นรางวัลได้แต่ถ้าเราเพียงแต่นับถือพระพุทธศาสนานับถือว่าเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่เคยสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราก็เป็นเหมือนกับได้ลอตเตอรี่ ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่เราไม่เอาไปขึ้นรางวัลเก็บลอตเตอรี่ไว้เป็นที่เราลึกเฉยๆเอาไปติดเอาไปติดกรอบแขวนไว้ในบ้านว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีลอตเตอรี่นี้ยืนยันแ <hè? S 1> ขวนไว้ในบ้านแต่ไม่ได้รับรางวัลแต่ไม่ได้ไปขึ้นรางวัลก็เหมือนกับเวลาที่เรากรอกชื่อในทะเบียนบ้าน เขาถามว่าเป็นชาวนับถือศาสนาอะไรเราก็กรอบไปว่านับถือศาสนาพุทธเนี่อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเอ า, อาลอตเตอรี่นี้ไปใส่กรอบแล้วก็ติดแขวนไว้ในบ้านประกาศให้คนก็รู้ว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เราได้เป็นชาวพุทธเลย เพราะเราไม่สนใจที่จะศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเราจะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้างเราไม่ศึกษาแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติบางคนก็ศึกษาศึกษาแล้วแต่ก็ไม่ปฏิบัตินก็ยังไปไม่ถึงยังทําตามเพียงแต่ไปศึกษาวิธีขึ้นรางวัลแต่ยังขี้เกียจไป ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกให้ทำเกือให้เอาเอกสารอะไรต่างๆมาให้กรอกข้อความอะไรต่างๆลงไปในแบบฟอร์มก็อย่างเขาก็ยังจะไม่ให้รางวัลบางคนเป็นชาวพุทธแล้วไม่เคยสนใจที่จะศึกษาเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างไม่เคยสนใจที่จะปฏิบัติถ้าปฏิบัติก็แบบไม่จริงจัง ทำแบบอทำแบบงมงายใครเขาบอกให้ทำก็ทำทำไปตามประเพณีทำทำไปตามธรรมเนียมอันนี้ทำแบบพอหอมปากหอมคอยังไม่ได้ทำแบบจริงจริงจังๆเช่นอเชื่อเรื่องการทำบุญก็ทำบ้างาใส่บาตรบ้างาวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันอะไรสำคัญ ก็ไปทำบุญสักครั้งหนึ่งส่วนศีลก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างแล้วแต่อารมณ์พอไม่เชื่อเรื่องศีลว่ารักษาไปแล้วจะได้อะไรพอไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะใครจะไปรับผลของการกระทำบาปหรือไปรับผลของการกระทำบุญ พอเท่าที่เห็นก็เห็นว่าร่างกายผู้กระทำบุญและกระทำบาสนี้เมื่อตายไปแล้วเขาก็เอาไปเผาทิ้งเท่านั้นเองกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครล่ะจะไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ทำํำนี่เป็นเพราะว่าอไม่สามารถมองเห็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายเป็นกระทำบุญกระทำบาสนีผู้ที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่สั่งนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างหน้าตาเราไม่สามารถมองเห็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆได้ร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ผู้รับคําสั่งเหมือนเป็นคนรับใช้ของผู้สั่งผู้สั่งนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตามองไม่เห็นกันแต่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ทำบุญทำบาปชำระใจให้สะอาดลอยสุดผู้ที่จะสั่งก็คือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและจิตใจนี้แหละเป็นผู้ที่รับผลของบุญของบาป เ, เพราะว่าเวลาทำบุญแล้วผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจทันทีใจจะมีความสงบมีความสุข มีความเย็นมีความสบายใจเนี่ยถ้าทำบาปใจก็จะร้อนขึ้นมาใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาใจก็จะวิตกหวาดกลัวไม่สบายอกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละคือผู้กระทำและผู้ที่รับผลของการกระทำถ้าเราไม่ได้มาศึกษา จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้เราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่ได้ศึกษาเราก็ทำตามที่พ่อแม่สอนให้ทำให้สายบาทให้รักษาศีลให้ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรบ้างทำไปก็ทำไปหวังได้บุญก็ได้บุญได้ไปสวรรค์ไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉาน แต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเพราะมองไม่เห็นว่าใครไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนี้เพราะเท่าที่เห็นตัวของเราเองก็มีแค่ร่างกายนี้เท่านั้นแล้วความคิดความรู้นี้ก็คิดว่าอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้แยกเป็นคนละส่วนกันคิดว่าความรู้ความคิดนี้อยู่ในสมอง พอร่างกายตายไปสมองหยุดทำงานความรู้ความคิดก็หยุดทำงานไปหมดร่างกายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตายไปถ้าเก็บไว้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นก็ต้องเอาไปเผาเอาไปฝังแล้วใครล่ะจะไปเป็นผู้ไปสวรรค์ไปนรกไปเกิดใหม่อันนี้ถ้าไม่ได้ใบศึกษาโดยตรงจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ คำถามเหล่านี้จะไม่กระจ่างกระจ่างแจ้งคำตอบจะไม่ได้อย่างกระจ่างแจ้งถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน ะ, ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ได้ศึกษากันเขาเพียงแต่เชื่อเท่านั้นเองแต่เขาไม่รู้ว่าใครมีที่จะไปรับผลบุญผลบาปแล้วนรกสวรรค์อยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้ อันนี้แหละจึงจาเป็นที่เราจะต้องไปศึกษาจากผู้รู้จริงๆผู้รู้ในพระพุทธศาสนาก็มีสามท่านนี่แหละมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ผู้ที่รู้จริงรู้เรื่องราวของผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจรู้ว่าผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ทำบุญและทำบาปเป็นผู้กระทำเองโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ แล้วผู้รู้ผู้คิดนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะต้องรับผลของการกระทาของตนไม่ใช่ร่างกายร่างกายตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกผู้ที่ไปสวรรค์นรกก็คือใจแล้วสวรรค์นรกก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนั่นแหละใจนี่แหละที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจจะเย็นก็ได้จะร้อนก็ได้ ใจของเรานี่เป็นเหมือนทั้งตู้เย็นเครื่องปรับอากาศความเย็นและเป็นเหมือนเตาอบที่สามารถทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้อย่างมหาศาลขึ้นอยู่กับการกระทาของใจเองถ้าทำบุญก็เหมือนกับเปิดเครื่องปรับอากาศเปิดเครื่องทำความเย็นใจก็เย็นสบายถ้าทำบาบ ใจก็เหมือนกับเปิดเตาอบเปิดเครื่องเตาอบทำให้ใจนี่รุ่มร้อนขึ้นมานี่แหละความรุ่มร้อนนี่แหละที่เราเรียกว่านรกและความเย็นเนี่ยเราเรียกว่าสวรรค์ใจของเรานี่แหละสามารถเปลี่ยนไปได้พิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเย็นนี่กลายเป็นร้อนได้ภายในวันวันหนึ่งเนี่ยบางทีเราพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ เวลาเราทำความดีใจเราเย็นสบายพอเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราไปทำร้ายผู้อื่นไปทำบาปขึ้นมาใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีนี่แหละคือผู้ที่รับผลของบุญของบาปเป็นผู้ที่กระทำบุญและกระทำบาปเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เป็นผู้ที่ไม่มีวันตายนะเป็นผู้ที่จะต้องไปเกิดใหม่ถ้ายังไม่สามารถชำระสิ่งที่เป็นตัวผลักดันให้ไปเกิดใหม่สิ่งที่ผลักดันให้ใ จ, จต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆก็คือตัณหาความอยากต่างๆนี่เองหรือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัวเดียวกันเราใช้ชื่อเปลี่ยนชื่อมันเท่านั้นเองแต่มันเป็นตัวเดียวกันเหมือนคนเนี่ย คนเราเวลาเป็นเด็กก็ชื่อเด็กชายเด็กหญิงฮะพอโตขึ้นมาก็เรียกว่านางสาวอนายขึ้นมาผู้หญิงถ้าแต่งงานก็เรียกว่านางก็เป็นคนคนเดียวกันนะั่นเพียงแต่สถาหนะ้าภาพเปลี่ยนไปความโลภความโกรธความหลงกับความอยากทั้งสามนี้ก็เป็นตัวเดียวกันอเป็นตัวที่ผลักดันให้ใจนี้ต้องไป หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจเพราะใจไม่มีความสุขในตัวเองใจเลยต้องไปหาความสุขต่างๆ <š. S 1> การที่ไปหาความสุขต่างๆนี้ <š. S 1> ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องหาอยู่เรื่อยๆ <š. S 1> เพราะความสุขที่หามาได้นี้มันเหมือนควันไฟได้มาแล้วมันก็จางหายไปก็ต้องไปหาใหม่วันนี้ไปเที่ยวกัน ก็ได้ความสุขพอพรุ่งนี้ความสุขที่เราได้ไปเที่ยวกันก็หายไปหมดความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็ปรากฏขึ้นมาความหิวความโหยความอยากได้ความสุขใหม่ก็โผล่ขึ้นมาก็ต้องไปหาความสุขใหม่นี่เรียกว่าความโลภหรือความอยากโลภก็คืออยากได้สิ่งที่เราไม่มีอยากได้ความสุขที่เราไม่มีที่เราสูญเสียไป ความสุขที่เราได้มาเมื่อวานนี้มันหมดไปแล้วมันหายไปหมดแล้ววันนี้ไม่มีความสุขนั้นหลงเหลืออยู่ในใจของเราแล้วก็เลยเกิดความโลภความอยากได้ความสุขแบบนั้นอีกความสุขทางที่เราหาผ่านทางร่างกายนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดมันจะเป็นแบบควันไฟมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปพอหายไปเราก็ต้องไปหาใหม่ พอเราอยู่แบบไม่มีความสุขไม่ได้เราอยู่แบบอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่ได้เพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราเราเลยต้องไปหาความสุขภายนอกหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปทันทีหามาปั๊บเดี๋ยวก็หมดไปแล้วพอร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนั้น พอร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังต้องหาความสุขอยู่ก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คนใหม่แต่งงานกันร่วมหลับนอนกันก็จะสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาถ้าเป็นคิวของเราที่จะไปรับร่างกายอันใหม่นี้เราก็ไปรับทันทีเราก็ไปครอบครองโดยส่งกระแส ความรู้สึกนึกคิดของเราไปเกาะติดอยู่กับร่างกายทันทีแล้วพอร่างกายออกมาจากท้องแม่มันก็จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปตามลําดับพอถึงเวลาที่เราสามารถเอาร่างกายนี้ไปทําตามสิ่งที่เราอยากได้เราก็ใช้มันไปทันทีใช้ให้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทปะมาให้เราสัมผัสโดยผ่านทางตาหูจมูกม่งกาย พอรูปสัมผัสกับตามันก็ส่งมาที่ใจผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดก็เกิดความสุขจากการที่ได้สัมผัสกับรูปที่อยากจะดูรูปที่ชอบเนแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีรูปที่ทําให้ใจทุกข์เพราะรูปทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นรูปที่จะที่ใจจะชอบเพียงอย่างเดียวมันมีรูปที่ใจไม่ชอบด้วย แล้วก็ใจไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้เห็นภาพไม่ให้เห็นรูปที่ไม่ชอบได้ก็เลยต้องมาพบกับความทุกข์อีกได้รับความสุขแล้วบางทีก็ต้องไปรับกับความทุกข์เพราะไปเห็นภาพที่ทำให้ทุกข์ใจได้ไปได้ยินเสียงที่ทำให้ทุกข์ใจไปได้ดมกลิ่นที่ทำให้ทุกข์ใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากจะเจอก็ต้องเจอ เพราะธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี้เขามีแบบนั้นเขามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ปนกันมาเราจะไปเลือกไปสั่งมันไม่ได้เวลามันจะมาเราก็หนีมันไม่ได้นั้นการที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยเป็นการหาความทุกข์ไปในตัวด้วยเพราะจะต้องไปสัมผัสกับส่วนที่มัน ทำให้เราทุกข์ได้หรือส่วนที่เราสุขมันก็ทำให้เราทุกข์ได้เวลาที่มันหมดไปเพราะมันเป็นเหมือนควันไฟพอความสุขที่เราได้จากรูปเราได้เห็นเดี๋ยวมันก็หายไปพอหายไปเราก็ต้องหาใหม่อีกการหามันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึง่งเพราะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา นี่คือเป็นการวิธีหาความสุขของของใจที่ไม่รู้วิธีหาความสุขที่แท้จริงว่าหาอย่างไรนานานจะมีใจที่ฉลาดที่เก่งคือใจของพระพุทธเจ้าที่มาวิเคราะห์พิจารณาดูว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนกันแนะ่ อยู่ที่สิ่งไหนกันแนะนานๆถึงจะมีคนมาเจอกับความสุขที่แท้จริงกันสักครั้งหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์ตัดสรุนี่สแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแหล่งของความสุขที่แท้จริงแล้วแหล่งของความสุขที่แท้จริงก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่เองใจที่ปราศจากความโลภความอยากต่างๆ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชำระความโลภความอยากให้หมดไปจากใจแล้วใจของพระองค์ก็สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเป็นใจที่ผลิตความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยนี่แหละนิพพานก็คือใจของพวกเรานี่แหละที่ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลง อาจจะจากความอยากทั้งสามประการคือการมัตตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สงคนพบสงคนพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขที่ถาวรเหมือนแสงพระอาทิตย์อย่างนี้ แสงพระอาทิตนี้ไม่มีวันดับนะส่องแสงสว่างตลอดยี่บสี่ชั่วโมงออชั้นใดใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้กสสสส็ส่งความสุขตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงท่านถึงเรียกว่านิพานังปรมังสุขขังนิพานคือใจที่มีความสุขอย่างยิ่งใจที่มีความสุขใจที่เป็นนิพานนี้คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ป่าจะจากความโลภความโกรธความหลงป่าจะจากตัณหาความอยากทั้งสามคือกามัตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหากามัตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถพาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขการอยากแล้วก็อยากให้อยู่ไปนานๆไม่อยาก ไม่ให้สูญเสียอยางไม่ให้สูญเสียไปอันนี้แหละที่เป็นตัวที่ทําให้ต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะราบยศเสริญ ส, สุขรูปเสียงกลิ่นรสต่อให้เราหามาได้เท่าไหร่ไม่ช้าที่ก็เร็วมันก็ต้องหมดเพราะมันเป็นเหมือนควันไฟพอมันหมดเราก็ต้องไปหาใหม่พอร่างกายนี้ตายก็ต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปหาราบยศสเสริญ ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใหม่เราจรึงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วพอมาเกิดเราก็ต้องมารับของที่มันมาคู่กับความสุขการเกิดนี้มันมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์ตามมาตอนเกิดใหม่ๆมันก็สุขร่างกายมีแต่ความเจริญแข็งแรงมีแต่เจริญเติบโตแต่พอมันถึงวัยกลางคนมันก็เริ่มหยุดการ จเจริญเติบโตแล้วมันก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มเสื่อมลงไปทางการเจ็บปวดต่างๆทางร่างกายก็มีมากขึ้นความสามารถที่จะใช้ร่างกายในการหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็นดลดน้อยถอยลงไปตามลำดับเมื่อความสุขความสามารถที่จะหาความสุขได้น้อยลงไปความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปจนมีแต่ความทุกข์ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสรนจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่นานๆจะมีคนฉลาดมีคนเก่งอย่างพระพุทธเจ้าสั ก, สกคนหนึ่งที่มานั่งวิเคราะหา์หาหาความสุขที่แท้จริงว่ามันอยู่ตรงไหนกันแนะ่มันคืออะไรกันแนะ่เพราะเห็นแล้วว่าความสุขที่มนุษย์เราทั้งหลายหากันนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมามันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีความสุขแบบควันไฟเลยต้องทำให้หามาหามาใหม่อยู่เรื่อยๆพอไปดูอะไรแล้วเกิดความสุขขึ้นมาเดี๋ยวความสุขที่ได้เกิดจากการดูก็หมดไปก็ต้องไปดูใหม่ไปฟังใหม่ไปริมรส ด, ดมกลิ่นไปสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายใหม่ ทำเท่าไหร่มันก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งไปมันเพราะมันเป็นควันไฟเนี่ยพอร่างกายนี้ตายไปความอยากความหิวมันก็ยังไม่หมดมันก็ต้องไปหาใหม่มันก็ต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้เอาร่างกายใหม่นี้มาหาความสุขแบบเดิมต่อไปก็ต้องหาอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ การเกิดแก่เจ็บตายของพวกเร า, านี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันปีจํานวนมากมายมหาศาลจนไม่สามารถนับจํานวนได้แต่พอจะเปรียบเทียบได้โดยการให้เราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยทุกครั้งที่เรามาเกิดนี่เราต้องร้องไห้กันเพราะเราต้องพบกับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆ ถ้าเราเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละาพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันท่านบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูในน้ําในมหาสมุทรนี้มันมากมายขนาดไหนเราคิดดูซิว่าเราจะต้องมาเกิดมาล้องห่มล้องไห้อี่ครั้งถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนพบชาติของพวกเราที่ได้ผ่านมาแล้วได้ยังไม่หมดน ยังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาถูกรางวัลที่หนึ่งคือได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปขึ้นรางวัลถ้าได้พบแล้วไม่ไปขึ้นรางวัลก็ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเหมือนชาวพุทธที่อยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยมีกี่คนที่ไปรับรางวัลกันจริงๆจังๆผู้ที่ไปรับรางวัลจริงจังๆนี้ ก็คือพวกนักบวชทั้งหลายในเมืองไทยเรามีพระกี่รูปมีประมาณสองแสนรูปมีแม่ชีกี่กี่หมื่นอผู้นะี้แหละที่ไปพยายามจะไปขึ้นรางวัลกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ขึ้นกันทุกคนเพราะบางทีไปขึ้นรางวัลแล้วก็หลงทางกันไปรับข้อมูลผิดผิด แทนที่จะไปปฏิบัติไปชำระกิเลสตัณหากลับไปสะสมกิเลสตัณหากันขึ้นมหมีเพราะไปรับข้อมูลผิดไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสังนักงานสลากกินแบ่งไปรับข้อมูลจากหน้าม้าที่จะมาหลอกเอารางวัลของเราไปถ้าเราไม่ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้รู้จริงเห็นจริงผู้ปฏิบัติเดชปฏิบัติชอบ เราไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงแต่อยู่ในคราบของนักบวชเป็นผู้ที่อาจจะได้ศึกษามาบ้างแต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติบ้างแต่ไม่ปฏิบัติยังไม่ได้ผลแล้วมาอดตะเลทำตัวเป็นผู้รู้ผู้สอนผู้พวกพวกนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะทำให้ ผู้ที่ไปศึกษานั้นหลงทางจะไม่ได้ไปรับรางวัลที่ควรจะได้รับผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้ขึ้นรางวัลได้รับรางวัลในพระพุทธศาสนาในเมืองไทยของพวกเราจึงมีไม่มากต้องดูจำนวนของผู้ที่ตายไปแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุนั่นหละเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริง เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาจริงแล้วเป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนให้ผู้ที่ไม่รู้นี้สามารถไปรับรางวัลได้อย่างถูกต้องพระที่ตายไปแล้วนี่กระดูกที่กลายเป็นพระธาตุนี้มีกี่รูป ก, กันแทบจะนับจำนวนได้เลยหายากด้วยเพราะบางทีเขาก็ไม่เปิดเผยกัน พราะผู้ที่เขาได้รับรางวัลแล้วเขามีไม่มีความที่จะต้องมาประกาศตนให้ผู้อื่นรู้เขาอยู่ของเขาแบบสบายสบายดีกว่าเพราะการมาประกาศตนบางทีก็อาจจะเป็นอันตรายกับตนเองได้เพราะอาจจะถูกว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อุตริขึ้นมาก็ได้ดันั้นการที่จะได้ พบผู้รู้ผู้เห็นจริงนี่ผู้ได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาจริงๆนี้จึงเป็นของค่อนข้างยากถ้าไม่พยายามค้นคว้าศึกษาหาก็จะหาไม่เจอแต่ถ้ามีความขวนขวายมีความพยายามที่จะศึกษาขั้นต้นก็ต้องศึกษาว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เขาปฏิบัติกันอย่างไร เราก็พอรู้แล้วว่าเขาปฏิบัติกันตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องศึกษาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้มีอะไรบ้างแล้วมีใครปฏิบัติบ้บางแล้วเราก็ไปค้นหาดูตามวัดต่างๆดูว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้มีบ้างไหมเช่นมี พระรูปมีวัดไหนบ้างที่ปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยทุดงควัตสิบสามข้อเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการจะขึ้นรางวัลเนี่ยสามารถขึ้นรางวัลได้อย่างรวดเร็วเป็นเค ร, เรียกว่าเป็นคิวพิเศษถ้าไม่ต้องการที่จะไปยืนแถวยาวให้ไปยืนแถวพิเศษแถวนี้เขาจะบริการอย่างรวดเร็วถ้าอยากจะไปรับรางวัล ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วนี้ต้องไปทางสายทุดงเวัตเนสิบสามข้อทุดงเขวัตสิบสามข้อมีอะไรบ้างเช่นข้อที่หนึ่งก็บอกสอนให้บิณฑบาตเป็นวัดนให้ถือการบิณฑบาตเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าวันไหนจะกินก็ต้องหิ้วบาตถือบาตเข้าไปในวัดเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปรับอาหารจากชาวบ้านแล้วก็มารับประทาน เวลากลับมาวัดก็ให้ฉันในบาตรให้อาหารที่ได้จากบิบญบาเนี้ฉันมันในบาตรเลยไม่ต้องมาใส่จงใส่จานใส่ใส่ถ้วยใส่อะไรให้มันยุ่งยากการกินของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชาวนี่ท่านกินแบบง่ายง่ายดายรวดเร็วไม่ให้เสียเวลาท่านไม่ได้กินเพื่ออยู่ท่านไม่ได้กินตามความอยากท่านกินเป็นยาเป็นยาระ ง, งับความหิวเท่านั้นเอง เป็นยาเลี้ยงร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็กินแบบง่ายๆเอาอาหารที่ได้จากบินบาตอาหารที่จะฉันใส่เข้าไปในบาดเพราะมีบาดรใบเดียวนี่มันจะได้ล้างง่ายล้างเดียวเดียวก็เสร็จถ้าต้องเอาถ้วยเอาชามมาแล้วต้องเอาอาหารที่ได้มาจัดแยกใส่ถ้วยใส่ชามกว่าจะได้ฉันก็เสียเวลาไปอีกหลายนาที ฉันเสร็จก็ต้องเอาถ้วยเอาชามไปล้างไปเก็บอีกท่านถึงสอนให้ฉันในบาทนี่ก็ทุดงขวัดข้อที่สองให้บินบินธบาทข้อที่หนึ่งให้ถืออาชีพของการบินธบาทเป็นอาชีพของพระไม่ว่าจะเป็นพระระดับไหนก็ตามก็ไม่มีความแตกต่างในเรื่องการเลี้ยงชีพท่านสอนให้เลี้ยงชีพเหมือนกันทุกคน ไม่ใช่ให้แยกแยะว่าพอได้พรรษาแล้วไม่ต้องไปบิทธบาตพอได้ยดแดาาาศแล้วไม่ต้องไปบินธบาตพอได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วไม่ต้องไปบินธบาตพอได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนได้เป็นสมเด็จแล้วไม่ต้องบินธบาตอันนี้ไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระจะเอาสอนให้พระทุกลูปไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สัมมเนนขึ้นมาจนถึงพระเถระเป็นผู้ผู้นำของพระสงฆ์ทั้งหมดนี้ ต้องบินถบาดททั้งนั้นอันนี้ดูไปดูสิว่ามีผ้าสง์แบบไหนที่บินถบาทแบบนี้มัง่งก็จะเห็นแต่ผ้าสง์ในสายหลวงปู่มั่นนี่แหละว่าหลวงปู่มั่นนี่แหละท่านเป็นผู้ทํานําเป็นตัวอย่างท่านพยายามบินถบาทจนกระทั่งท่านเดินไม่ไหวท่านอายุแก่แล้วเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแล้วเดินไปหมู่บ้านไม่ไหวเพราะมันไกลสองกิโลท่านก็เดินไปแค่ครึ่งทาง แล้วชาวบ้านก็เดินออกมาจากหมู่บ้านมาดักรอครึ่งทางมาใส่บาตรให้กับท่านแล้วต่อไปพอเดินไปครึ่งทางไม่ไหวท่านก็เดินไปแค่หน้าวัดเดินไปหน้าวัดชาวบ้านก็มาที่หน้าวัดมาใส่บาตรพอเดินไปที่หน้าวัดไม่ไหวท่านก็บินตบาตบนศาลาชาวบ้านก็เอาบาตรเอาอาหารมาใส่บาตรในศาลานี่แหละคือตัวอย่างของ ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่พระที่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์สายนี้ท่านยังถือเรื่องของทุดงขวัตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านพยายามที่จะรักษาปฏิบัติกันจนวันตายจนกาจะไม่มีเรื่องไม่มีแรงท่านถึงจะไม่บินทบาทเนี่ยแต่ท่านไม่ได้มาเลิกบินทบาทเพราะว่าได้เป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าได้ยี่สิบพรรษาขึ้นไปแล้ว เจอได้ 30, สามสิทธันาขึ้นไปแล้วท่านไม่ได้หยุดเพราะทอดทุดงข้อุดงขวารพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้มีเงื่อนไขการบินธบาตนี้พระพุทธเจ้าให้สอนตั้งแต่วันบวชเลยเวลาบวชเสร็จนี้พระพุทธเจ้าสั่งพระอุปัชฌาย์ให้สอนพระที่บวชใหม่ให้บินธบานเป็นอาชีพให้ถือการเลี้ยงชีพของพระคือการบินธบานให้บินธบานไปจนวันตาย นี่คือความสำคัญของเรื่องของการบินธบาตนะิว่ามันเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติเพราะการบินทบาตินี้หนึ่งจะดับความเกลียดคร้คานไดนะ้คนเราที่ไม่ไปบินธบาติอยากจะนั่งอยู่เฉยๆให้รอให้ญาติโยมมากรับข้าวกลาบอาหารมาถวายที่กุฏิแนะสดงว่ามีความเกลียดคล้านะ ถ้ามีความเกียดค้าแล้วจะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างไรจะไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรการบินทบาเนี่เป็นการเสริมความเพียรเดินแล้วจะมีกำลังวังชาเราจะทำให้เวลาเดินจงกรมนี้เดินได้อย่างง่ายดายเบาถ้าไม่ได้บินทบาทนี้เวลาฉันอิ่มอิ่มปแล้วลุกเดินไปบินทบาทไม่หวเดินไปเดินจงกรมไม่ไหวหาหมอนนอนดีกว่า นี่คือความสำคัญของทุดงควัตข้อที่หนึ่งคือการบินทบาทอยากจะดูว่ า, าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตรงไหนก็ดูตรงนั้นแหละดูว่ามีทุดงควัตกี่ข้อข้อที่หนึ่งการบินทบาทเป็นวัดข้อที่สองการฉันในบาทเป็นวัตมีพระรูปไหนบ้างที่ฉันในบาทหรือฉันในสำรับ หาดูยากถ้าไม่ไปอยู่ตามบริวารป่านี้จะไม่ค่อยเห็นพระฉันในบาตรกันจะเห็นแต่ในฉันในสำนักกันทําไมเขาถึงฉันในสำนักทําไมเขาถึงไม่ถึงฉันในบาตรทั้งๆ ท, ท, ที่คัมภีร์ก็เป็นคำเภียกเดียวกันศึกษามาก็ศึกษาเหมือนกันแต่พระที่อยู่ในบ้านในเมืองนี้ทวดงคาวะทั้งสิบสามข้อนี้แทบจะไม่มีเลยมีก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ อย่างสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนสมเด็จพระยาณสังวรท่านก็ศึกษาทุตดงเขาวัดมาท่านถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัดที่เขาไม่ถือทุโดงกันท่านก็ถือทุตดงของท่านไปองค์เดียวท่านก็ชันในบาตรท่านก็บินทบาททัง้งทั้งที่พระเถระรูปอื่นท่านก็ไม่บินทบาทกันแต่ท่านบินทบาทเพราะท่านมีความต้องการที่จะขึ้นรางวัลจากพระพุทธศาสนาะ ท่านก็เลยต้องถือทุโดงเขวัตฉันในบาทบินทบาทเป็นวัดนแล้วก็ข้อที่สามฉันในบาทฉันมือเดียวเอฉันมือเดียวถึงแม้ว่าพระวินัยจาะอนุญาตให้ฉันได้สองสามมือคืออนุญาตให้ฉันได้ประจน์ถึงเที่ยงวันแต่ถ้าถือธูดงเขวัตนี่ก็จะฉันหนเดียวเตำน้ำมันทีเดียวก็เติมมาให้มันเต็มถังไปเลย เรไปกักแบ่งไว้ทีละนิดเท่าหน่อยทําไมท้องมันก็มีใบเดียวมันก็กินอาหารได้เท่าเดิม น, นั่นแหละทําไมต้องไปแบ่งว่าเช้าเช้าหน่อยเช้าก็เอาสักหน่อยสายก็เอาสักหน่อยเที่ยงก็ อ, อีกนิดหนึงอันนี้มันก็กินแบบกินเลี้ยงกิเลสเลี้ยงความอยากความอยากกินมันถึงทําให้ต้องกินหลายๆหนถ้ากินเพื่อร่างกายเพื่อเติมน้ํามันให้กับร่างกายมันก็กินหนเดียวมันก็เหมือนกัน ก็กินมันทีเดียวให้มันเต็มท้องไปเลยมันก็เส้นเรื่องมันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายหลายครั้งกินสองสามครั้งมันก็ต้องเสียเวลามาวุ่นวายกับเรื่องของการกินสงสามครั้งกินหนเดียวมันก็เสร็จเวลาจะได้มีเวลาไปชำระกิเลสตัณหาได้ต่อไปก็จะได้ไปเดินจงกลมนั่งสมาธิได้แล้วตัวก็จะเบาจะไม่ง่วงนอนเพราะกินไม่มากถ้ากินสามครั้งนี่มันมาก พอเลยเพยไปแล้วนี่มันไม่ภาวนาแล้วล่ะมันนอนล่ะก็เรียกจําวัดกัน <c oughs> เวลา <c oughs> เวลาไปวัดจังไม่ไปหลังเที่ยง <c oughs> เพราะไม่มีพระออกมารับเขา้าใช่ไหมพระท่านจําวัดกัน <c oughs> อันนี้ก็อีกข้อนึงฉันมือเดียวเนี่ยบินบาตเป็นวัดฉันในบาตเป็นวัดฉันมือเดียวอะ แล้วบางสำนักเขาเข่งกว่านั้นคือไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินธบาตแล้วญาติโยมจะนําอาหารมาถวายต่อที่วัดที่ศาลาก็ไม่รับรับเฉพาะอาหารที่ได้จากบินธบาตเพราะหนึ่งไม่อยากจะเสียเวลารับมามากมันก็กินไม่ได้อยู่ดีเนี่ยกินแลถ้าได้มาบางทีมันก็อาจจะทําให้โลคมากการที่จะกินน้อยกับกินมากเพราะอาหารที่ญาติโยมหิ้วมามันอาจจะดีกว่าอาหารที่ได้จากบินธบาตเนีย มันก็เลยทําให้กินมากกินมากมันก็ง่วงมากขี้เกียจมากขึ้นอีกหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนเวลานั่งสมาธิการสับสงบ <c oughs> น, นี่คือข้อทุต้งทุตงขวัตที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินของพระการขบฉันหนึ่งการบินธบาดสองการฉันในบาทสามการฉันมื้อเดียวสี่การไม่รับอาหารหลังจากได้มาจากบินธบาดแล้ว เช่นวัดป่าบัรตานี้ในท่านถือข้อนี้ในช่วงเข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษานี้ท่านจะไม่รับอาหารหลังจากบินธบัตยาโยมอยากจะใส่บาตรเลยต้องไปเข้าคิวเข้าแถวกันอยู่ที่หน้าวัดกันเพราะถ้าพระเข้าเขตวัดแล้วก็จะไม่รับอาหารอีกต่อไปญาโยมเลยต้องไปตั้งแถวมันเลยยาวเป็นกิโลเนี่ยคนที่อยากจะใส่บาตรพระเพราะตามปกตินอกพรรษานี้ไปที่ศาลาก็ได้ มาสายก็ไปที่ศาลาตามพระไปที่ศาลาแล้วก็เอาหารถวายได้แต่ในช่วงเข้าพรรษาท่านอยากจะให้มันเข่นคัดมากขึ้นท่านก็เลยเพิ่มข้อนี้ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องมาจัดที่ให้ญาติโยมมาตั้งอาหารอยู่ที่หน้าวัดยาวเป็นกิโลฯกว่าจะเข้าวัดได้ก็เหนื่อยไปบิณฑบาต ท, ที่หมู่บ้านมาแล้วกลับมาที่หน้าวัดก็ยังต้องเบียดอีกรอบหนึ่ง แต่มันเรื่องของศรัท ธ, ธามันก็ห้ามไม่ได้ญาติโยมก็อยากจะได้บุญเพราะหน้าที่ของญาติโยมก็ยังต้องทำบุญก่อนญาติโยมยังบวชยังปฏิบัติยังทำหน้าทาหน้าที่ของการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ก็ต้องอาศัยการทำบุญนี้ชำระไปก่อนพระก็ต้องสนองศรัท ธ, ธาของญาติโยมไปแต่ก็ทำในกรอบของพระทุดงควัด ให้ทำอยู่ที่นอกวัดนอกประตูวัดไม่ให้ตามเข้าไปในวัดนี่คือธุดงที่เกี่ยวกับการขบชันส่วนธุดงที่เกี่ยวกับการหอมจีวรนี้สมัยโบราณท่านให้ใช้ผ้าบังสกุลผ้าบังสกุลคือผ้าที่ผ้าเก่าที่เขาทิ้งแล้วเช่นผ้าหอ่อศพผ้าห่อศพที่เราเรียกว่าผ้าป่าผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าง ที่ไปเก็บผ้าในป่าช้านี่เรียกว่าผ้าป่าเรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าที่ไม่มีคุณค่าราคาให้ไปเก็บมาแล้วก็มาซักย้อมมาเย็บมาตัดให้เป็นผืนใหญ่ที่นี่เป็นผ้าที่ปลอดภัยจากขโมยเพราะจะไม่มีขโมยอยากจะขโมยผ้าเหล่านี้เพราะมันไม่มีคุณค่าราคาอะไรเวลาไปแขวนไว้ที่ไหนตากไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องมากังวลถ้าเป็นผ้าใหม่ผ้า ไหมผ้าอะไรที่เขาญาติโยมทู่มีศรัทธานำมาถวายเนี่ยเป็นของมีราคาเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำเป็นผ้าผ้าปูที่นอนได้ก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นปัญหาได้ผ้าหายก็จะลำบากพอพระท่านอยู่ในป่าทุดงในป่ากันก็ให้สอนให้ใช้ห่มผ้าแบบราคาถูกๆเป็นผ้าเก่า แต่ได้ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเพราะผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายหุ้มห่อร่างกายเท่านั้นอย่าเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่ามันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเป็นผ้าผ้าขี้ริ้วหรือเป็นผ้าไหมมันก็เหมือนกันเมื่อเอามาหุ้มมาห่อมันก็ปกปิดร่างกายป้องป้องร่างกายจากอ า, ากาศหนาวเย็ยนได้เหมือนกันนั้นสําหรับผ้านี้ต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วสิ่งที่หาง่ายที่สุดก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ผ้าไหมผ้าดีๆนี้มันหายากถ้าไม่มีศรัทธาเขาถวายก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอันนี้ก็เป็นข้อทุดงเขาวัดอีกข้อหนึ่งคือการใช้ผ้าบางสกุลซึ่งสบายนี้ยากแล้วเพราะว่ามันไม่มีป่าชา้าไม่มีผ้าห่อศพนะอย่างนี้มีแต่ผ้าสำเร็จผ้าดีทั้งนั้นที่ญาติโยมนำม า, มาถวายก็ให้ถือแบบถือหนึ่งสำรับก็พอ ให้ถือหนึ่งหนึ่งไตรก็พอไม่ต้องมีหลายไตรนะพอมีมากก็ต้องมาดูแลมากต้องมาซักมาอะไรมากขึ้นถ้ามีชุดเดียวมันก็สบายมีแค่สามผืนเอถือผ้าสามผืนถือผ้าบางสกุลอันนี้ก็ทูดงควัตที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องผ้าจีวรส่วนที่อยู่อาศัยท่านก็ให้อยู่ตามโคนไม้คือให้ไปอยู่ในป่าให้เลือกที่อยู่ในป่า อย่าไปอยู่ในบ้านในเมืองอย่าเพราะว่าที่บ้านเมืองมันมีแต่ของที่มาเย่อยวนกวนใจของที่มาปลุกกิเลสตัณหาให้มีพลังมากขึ้นไม่ใช่ทำให้มันอ่อนกําลังลงแต่ถ้าไปอยู่ในป่าในเขานี่กิเลสตัณหามันจะไม่มีอะไรมากระตุ้นไม่มีอะไรมาสนับสนุนไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันจะฆากิเลสตัณหาต้องไปฆ่าตามป่าตามเขา เพราะมันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาคอยกระตุ้นให้กิเลสตันหามันโผล่ขึ้นมานั่นเองท่านถึงสอนให้ไปอยู่ตามโคนไม้ลุกขมูลและเสนาสนังคราวนี้ก็สอนตั้งแต่วันบวชเลยอังกีษที่เพร่งกระทำหนึ่งเบนทบาทสองลุกขมูลและเสนนาสนังให้อยู่ตามโคนไม้ให้เลือกสถานที่สงบสงัด อยู่ตามป่านี้มันสงบสงดัดไปทําเพิงเอากิ่งไม้เอาแกะเอากิ่งไม้เอาอะไรเอาใบม้งใบไม้ไ ม, มาทําเพลิงพอปกพอมาป้องกันแดดฝนได้ก็พออยู่แบบง่ายๆแต่เป็นสารที่สงบสบายกายวิเวกเป็นสถานที่วิเวกวิเวกก็คือสงบสงดัดห่างกายจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยกระตุน้นทําให้เกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนมื่ขึ้นมาภายในใจน การชำระใจนี้ต้องชำระด้วยการทําใจให้สงบใจว้าวุ่นกุ้นม้วแล้วชำระไม่ได้จึงต้องไปเลือกอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงคืออยู่ตามป่าตามเขาก็ให้ไปอยู่ลุกขมูลละเสนาสนังเป็นต้นเนี่ยนี่คือทุดงควัตเนี่ยถ้าอยากจะดูว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ดูตรงไหนก็ให้ไปดูที่ทุดงควัตนี่แหละเป็น ข้อสาคัญนนอกจากวินัย 220-227 ข้อแล้วก็ต้องดูที่ทุโลงควัตนี่ที่จะเป็นตัววัดที่เราพอที่จะเห็นได้ส่วนที่ลึกไปกว่านั้นนี้เรายากที่จะเห็นได้คือธรรมะที่ท่านมีคือปัญญาสมาธินี่เราดูไม่ออกเพราะเราไม่รู้ว่าท่านมีสมาธิหรือไม่มีปัญญาหรือไม่ จะรู้ได้ก็หนึ่งก็เกิดจากการที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านแล้วนาเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติดูถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลดีทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นทำให้ความทุกข์ของเราน้อยลงไปก็เชื่อได้ว่าท่านมีปัญญาท่านมีความรู้มีธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรม อันนี้ต้องเกิดจากการเราต้องเป็นผู้ที่ต้องไปวัดไปค้นคว้าเอาเองเราต้องไปศึกษาฟังคําสอนของท่านแล้วเราก็ต้องนำเอาคําสอนของท่านไปปฏิบัติเราถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นถูกต้องหรือไม่หลับความทุกข์ได้หรือไม่ทาจิตใจให้มีความนุ่มเย็นเป็นสุขได้หรือไม่ นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาถ้าเราอยากจะไปรับรางวัลจากพระพุทธศาสนาเราต้องไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธท่านไม่อยู่แล้วแต่ท่านบอกว่ามีตัวแทนของท่านอยู่เหลืออยู่สองคือพระธรรมคําสอนกับพระอริยสงฆ์สาวกพระธรรมคําสอนนี้อาจจะหาได้ง่ายหน่อยเพราะมีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนก็ไปศึกษาจากพระไตรปิฎก ไปศึกษาพระสูตรสําคัญต่างๆมีไม่กี่พระสูตรหรอกสี่ห้าพระสูตรนี่ก็จะได้ได้ความกระจ่างว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเช่นธรรมจักรกับประวัตนาสูตรมหาสตมหาสติปทานสูตรอนัตตลกนณสูตรมงคลลสูตรสี่สูตรนี้ก็พอที่จะทําให้เรารู้วิธีขึ้นรางวัลนะถ้าไม่สามารถศึกษาจาก ผู้ใดได้ก็เอาศึกษาจากพระไตรปิฎกไปหรือถ้าเราได้มีโอกาสได้พบกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือมีคนแนะนํามาแล้วเราก็ลองไปศึกษาดูแต่ทางที่ดีขั้นต้นควรจะศึกษาจากพระไตรปิฎกไปก่อนบ้างจะดีกว่าเพราะเราจะได้มีอะไรวัดว่าสิ่งที่ท่านสอนขัดกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าเราไม่ศึกษา คำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแล้วไปศึกษาจากพระรูปใดรูปหนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะไปศึกษากับพระอื่นนี่คนจะศึกษาจากพระไตรปิฎกไปก่อนท่านเรียกว่าปริยัติให้เรียนหนังสือก่อนเรียนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารีกไว้ในพระไตรปิฎก เรามักสูตหนักสูต ร, ร, ตรนักรรตีโทเอกเนี่ยเป็นหลักสูตรที่คัดมาจากพระไตรปิฎกคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาแล้วเราเราไปศึกษาจากพระรูปใดรูปหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนนอกรูนอกทางหรือเปล่าท่านสอนอยู่ในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือเปล่าเพราะถ้าสอนนอกรูนอกทางรางวัลมันก็จะไม่ได้รับผลมันจะไม่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ย แต่ถ้าท่านสอนให้มันตามที่พระเจ้าทรงสอนเราก็จะได้รับรางวัลถ้าปฏิบัติแล้วมากผลนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาต่อไปนี่คือเรื่องของการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาถูกล้ากก็ต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลก็คือต้องไปศึกษากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าขึ้นรางวัลอย่างไรพอรู้แล้วว่าต้อง ทำบุญทั้งหลายทั้งตั้ ง, งละการกระทำบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนเราก็ไปปฏิบัติศึกษาวิธีว่าละการกระทำบาปทำอย่างไรทำบุญทำกุศลทาอย่างไรชาระใจใหสะอาดบริสุทธิ์ทำอย่างไรพอรู้แล้วก็ปฏิบัติไป พอปฏิบัติถูกต้องแล้วเดี๋ยวผลมันก็ตามมากผลนิพพาน4ี่ขั้นมันก็ตามมาขั้นโสดาบันขั้นส ก, กิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันมันก็จะตามมาเป็นตามลำดำับเหมือนกับที่เราไปศึกษาในมหาวิทยาลัย ไ, ไปศึกษาปั๊บเดี๋ยวก็ได้ปริญญาตรีแล้วเดี๋ยวต่ออีกทีก็ได้โทรล้เดี๋ยวต่ออีกที ก, ทออ ก, ทก็ได้เอกลมันก็แบบเดียวกันมันก็ต้องมีคนสอน ไปหาไปศึกษาที่มหาลัยก็ต้องมีครูอาจารย์สอนนี่คือวิธีการที่เราจะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือเราต้องศึกษาจากพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตพอเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อแม้ตามเงื่อนไขของพระพุทธระธรรมประสงค์เมื่อผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ดังนั้นขอให้พวกเรารีบไปขึ้นรางวัลกันอย่าเก็บรางวัลนี้ถ่ายไว้ใส่กรอบแล้วติดไว้ในบ้านเพราะว่ามันสู้ไปขึ้นรางวัลไม่ได้อย่าไปเสียดายกระดาษใบเดียวให้ยกให้เขาไปเขาจะได้ให้แบงค์ร้อยเรามาเป็นหลายล้านด้วยกันจะได้เงนินไปใช้ซื้อความสุขต่างๆต่ตอไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวารวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตาหนังอุปการปติอิทีิต่างปฏิต e ่างสุมห um ังคิป้เมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ ระโสยะาสัภิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภาวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภพิวทธนสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวทานติอายุวันโอสุขัง าล้วลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่มาถามเองจะเขียนข้อความมา ก, ก็ได้แต่ขอให้ถามในช่วงที่เรากำลังประชุมกันอยู่พอเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตงดถาม ง, งดตอบ วันนี้ทาง facebook youtube เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ o กเข้ามาที่320คนครับอืมยูทูป90คนครับ้วก็ไลน์ตอนนี้มี 4,195 คนอือันนี้ตอนที่ตัวนี้กําลังถ่ายทอดผ่านไลน์จะเป็นเป็นไลน์กลุ่มเล็กๆนะฮะครับกำลังทดลองภาพและเสียงอยู่ฮะทางทอดสดได้ด้วยนะไลน์แต่ว่ามันจะไม่บันทึบจะมีการทดสอบเป็นได้ไม่ใช่สดสดร่อนๆหมดเสร็จแล้วก็หมดไปเลยเสร็จแล้วก็หมดไปเลยไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เก็บครับอืมก็ดี แล้วคนที่มีไลน์กขขอเข้ากลุ่มนี้ได้ไหบได้ครับแต่ทีนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคือกลุ่มนี้จะมีอประมาณสิบสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองหาหาวิธีการกันดูนะฮะก็มีลิมิตนะลิมิตลิมิตที่ห้า้อยคนห้าร้อยคนเดีเดี๋ยวผมจะลองเล่นเล่เสียงดูก่อนน ะ, ะก็ได้ทำระบบเสียงให้ใครสะดกวกเข้าทางไลน์ต่อไปก็เข้าได้ครับไปใครถือไลน์เข้าได้เลยใครเข้า facebook ได้ก็เข้า facebook ไปใครเข้า youtube ได้ก็เข้า youtube ไป มีสามทางเลือกแล้วถ้าใครอยู่แถวบางละมุงแถวนาเกลือก็มีบางละมุงเคเบิลช่องหนึ่งแล้วก็ขายเข้าเว็บได้ก็มีวิทยุออนไลน์ฟังได้ก็มีหลายช่องทางด้วยกันน้ทีมงานเขาค้นคว้าหาวิธีการต่างๆถ้ายังไม่มีใครถามจะเอาคำถามทางบ้านก่อนนะ อถามมาเลยพิธีกรกลับมาแล้วเลยหายเจ็บค่ไอ้แปลป่วยไปเข้าลงวัยบาลอยู่หลายอาทิตย์เนี่ยพักพื้นอันนี้จากทาง youtube นะคะจากคุณโทนีโรมีโไม่น่าจะใช่คําถามนะคะแรกเต็บเต็บเต็บ Hello อาจารย์ I am so happy to have privilege to speak with you. I am so anxious to become อ n a k a r i k a As soon as possible, I have finally decided to give up to up the lay life with me. Lucky. Very good. I hope you succeed in your your endeavor, your aspiration. อยากจะเป็นอยากจะถือสินแปดอยากจะเป็นผ้าขาวห่มขาวก่อนต่อไปก็ห้อยาวได้บวชต่อไปอยู่ลาดสวเนี่ยอยู่ในเมืองกาพนันทนะ <laughs> แล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายว่า I wish you to be happy, health, y and safe always. Thank you. ค yeah. ำถามจากผู้ฝากถามอยากขอวิธีตั้งจิตหรือปฏิบัติก่อนภาวนาเพื่อให้ได้ผลดีเจ้าค่ะก็ตั้งสติไ ง, ต, งตั้งตั้งตั้งสติทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เราจะมานั่ง เราต้องตั้งสติตั้งตั้งพุทโธไปตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยเหมือนนักเหมือนคนนั่งมวยนี่เขาไม่ไปซ้อมบนเวทีหรอกเขาซ้อมนอกเวทีก่อนถ้าไปซ้อมบนเวทีก็ถูกเขานอกเทานั้นถ้าจะไปตั้งหลักเวลาที่เรานั่งสมาธิก็สายเกินไปนะนั่งแล้วก็ไม่สงบเพราะจิตมันจะคิดอยู่เรื่อยๆมันไม่หยุด เราต้องหยุดคิดก่อนที่เราจะขึ้นไป ข, นขึ้นไปบนเวทีก่อนที่เราจะไปนั่งสมาธินี่เราต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อนถ้าควบคุมความคิดไม่ได้นั่งไปมันก็ไม่สงบอย่างนี้นเราต้องมาควบคุมความคิดตั้งแต่เราตื่นเลยเพราะเราสามารถทําได้ควบคู่ไปกับงานที่เรากําลังทําอยู่โดยเฉพาะงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยดีที่สุด เห็นเวลาเราเตรียมตัวไปทํางานอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี่เราไม่ต้องใช้ความคิดอตอนนั้นเราต้องควบคุมอย่าให้มันคิดถ้ามันจะคิดก็ดึงมันมาอยู่กับพุทโธพุทโธหรือดึงมันมาอยู่กับ <c oughs> งานที่เรากําลังทําอยู่กําลังแปรงฟันก็บอกแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันอาบน้ําก็อาบน้ําอาบน้ำํำอย่าไปคิดให้อยู่กับอาบน้ําล้างหน้าก็ล้างหน้าหวีผมก็หวีผมอย่างเนี้เรียกว่าเป็นการ ตั้งตั้งจิตให้พร้อมต่อการนั่งสมาธิต้องตั้งตอนก่อนที่เราจะไปนั่งไม่ใช่ไปตั้งตอนที่เรานั่งตั้งตอนที่เรานั่งมันตั้งไม่ได้แล้ะเหมือนนักมวยไปซ้อมชกบนเวทีก็ถูกเขา knock out แต่ น, นั้นนักมวยก่อนจะขึ้นเวทีนี้ก็ต้องชกกระสอบทรายก่อนชกกับคู่ซ้อมก่อนพอขึ้นเวทีเขาจะได้สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ อันใดถ้าเราจะนั่งแล้วทำใจให้สงบนี้เราต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อนที่เราจะไปนั่งถ้ายังคิดอยู่เนี่ย น, นั่งไปมันก็คิดต่อไปพุทโธได้สองคำก็คิดไปละดูลมได้นิดเข้าออกได้สองสามครั้งก็พุทแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ลนั่งไปเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวพอเกิดความอยากขึ้นมาก็นั่งต่อไปไม่ได้ยนันต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาตลอดเวลา แล้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่ายถ้าไม่ทำงานได้ดีเพราะว่าเวลาทำงานถึงแม้ว่าจะมีสติอยู่กับการทำงานมันก็ยังต้องคิดอยู่กับเรื่องงานเช่นเราต้องคิดบัญชีคิดวางแผนอะไรต่างๆมันก็ต้องใช้ความคิดอยู่แต่ว่าถ้ามีสติมันก็จะคิดอยู่ในเรื่องที่ต้องทำอย่างเดียวแต่มันยังต้องใช้ความคิดอยู่ ถ้าเราไม่ต้องทํางานเราเพียงแต่ทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นกวาดบ้านถูบ้านอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารนี้มันก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากเราก็สามารถที่จะควบคุมความคิดให้หยุดได้คนที่อยากจะปฏิบัติให้จิตสงบจริง ๆ, ๆเขาดังมากจะไปเปริก<ๆ>เว่เวก<ๆ>เขาลาออกจากงานไม่ทํางานทำแต่งานที่จําเป็นคืองานเลี้ยงปากเลี้ยงทองดูแลร่างกายเท่านั้นเอง แล้วก็ไปอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครเพราะถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องคุยกันอีกนั่นเองบอบไม่ให้คลุกคลีกันไม่ให้เกี่ยวข้องกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนปฏิบัติไปจะได้ควบคุมความคิดได้เวลานั่งจิตจะได้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้คําถามจากคุณออยจะต้องรับมืออย่างไรเมื่อรู้ว่าพ่อบังเกิดก้าวสร้างหนี้ไว้หลายแสนบาทจากการเล่นการพ น, นัน หนูพยายามคิดว่าเป็นกรรมเก่าของหนูแต่ก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีจะไม่ใช่นี่ให้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีรู้ว่าด่าทอก็บาปแต่ก็อดไม่ได้ค่ะทานทำมานานแล้วทุกใจมากๆาค่ะก็นี่ก็เป็นการทำทานอย่างหนึ่งไงทำบุญให้กับพ่อกับแม่ก็เหมือนทำบุญกับพระอรหันต์ให้เรามองมองให้ถูกมุมแล้วเราจะไม่ทุกข์กับการที่เราได้ใช้ใช้นี่สินของพ่อแม่ให้ ไปเป็นการทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่เพราะถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะมีร่างกายเหรอเราจะมีชีวิตหรอเราจะมีความสามารถหาเงินหาทองได้อย่างที่เราหาได้อยู่ทุกวันนี้เหลยก็มีพ่อพ่อมีพ่อแม่นนเนี่ยตอนที่เราเป็นทารกคลานออกมาจากท้องแม่ใครเลี้ยงเราใครอาบน้ําให้เราใครป้อนอาหารให้เราเวลาไม่สบายใครพาไปหาหมอ ใครดูแลเรามาจนกระทั่งเราเติบโตเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ก็พ่อแม่ของเรานี่ะท่านถึงถือว่าเป็นพาาาระอรหันต์ของเราการที่เรามีโอกาสได้ทำบุญทดแทนบุญคุณของพ่อแม่จึงควรจะดีใจยินดีว่านี่เป็นการทำบุญมันไม่ได้เป็นการใช้กรรมเป็นการทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่อยู่พระพุทธเจ้าสิถึงแม่แม่ท่านตายแล้วท่านยังอุตส่าห์ไปหาท่านในสวรรค์เพื่อไ ด, ได้ทดแทนบุญคุณให้กับแม่ ได้ไปสอนธรรมะให้กับแม่จนแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพ่อก็สอนให้บรรลุเป็นพระพพระอารหันต์ตอนเจ็ดวันก่อนตายอันนี้แหละงั้นอย่าไปมองว่าการทำอะไรให้กับพ่อแม่นี้เป็นเป็นเรื่องเสเียดจันเลมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องเป็นการความกตัญญูกตวเวทีที่เป็นพื้นฐานของความดีของเรา ถ้าเราไม่มีความกตัญญูกตวเวทีนี้เราจะเจริญไม่ได้ในทางความดีทั้งหลายเนี่ยงจงถือว่าเราเนี่ยมีบุญมากได้มีโอกาสได้ทดใช้บุญคุณต่อพ่อแม่ยัางทั้งตอนที่ท่านยังไม่ตายดีก่ามาทําบุญตอนที่ท่านตายไปแล้วอุทิศไปให้ท่านไม่รู้ว่าท่านได้รับหรือเปล่าตอนนี้ท่านได้ทับได้รับเต็มร้อยเลยมีหนี้สินเป็นแสนก็จ่ายไปเลยถ้าเราจ่ายได้ไปเสียได้ทาไมเงินทองตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ แต่บุญที่เราทํากับพ่อนี่ได้เราเอาไปได้บุญที่เราทําที่เป็นแสนเป็นล้านนี่เราเอาไปกับเราได้เดี๋ยวกับมาเกิดใหม่เงินที่เราทํานี่มันจะรอเราอยู่เพราะเงินทําบุญก็เป็นเหมือนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารนี่แหละเพราอตายไปก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตบุญที่เราทํำนี่เหมือนบัตรเครดิตเวลาไปต่างประเทศนี่เราไม่เอาเงินบาทไปใช่ไหมเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้แต่เอาบัตรเครดิตไปไปรูดตามโรงแรมตามร้านอาหารได้ บุญที่เราทํานี้ก็เป็นเหมือนบัตรเครดิตตายไปเราอยู่ในโลกทิพย์เราก็ใช้บุญพ า, าเราเที่ยวในโลกทิพย์ไดเ้เป็นเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกพวกที่เที่ยวเมืองนอกในโลกทิพย์นี้ก็เรียวกว่าพวกเทวด า, าพวกที่ไปขอบุญตามสียตามวัดตามวานนี้เขาเรียวกว่าพวกเปรตพวกเปรตนี้เป็นพวกเสียดายเงินหัวเงินไม่ยอมทําเสียดายเงินทองเก็บเอาไว้ใช้ นี่ไม่ดีก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปตัวเองไปก็ไปเป็นแบบขอทานไม่มีบุญติดตัวไปเหมือนกับคนไปต่างประเทศแต่ไม่มีบัตรเครดิตไปก็ต้องไปเป็นขอทานต่อที่ต่างประเทศเงินการทำบุญนี้ไม่ได้เป็นการสูญเปล่าเป็นการได้ประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปและขณะที่กลับมาเกิดใหม่ได้ทั้งสามช่วงเลย ช่วงที่ทำก็ได้ความสุขใจดีใจที่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้ช่วยพ่อแม่แต่ก็ต้องมีมาตรการต้องมีการาทําความตกลงกันก่อนว่ า, าจะทําได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะหนี้สินที่ไปสร้างนี้มันสร้างเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดดังน้นเราก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าคราวนี้จะจ่ายให้แต่คราวหน้าไม่รับประกันแล้วนะ ถ้าใบสร้างอีกก็ช่วยไม่ได้แล้วนะอะไรมันก็พูดกันได้ของอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะทําบุญแบบไม่อั้นก็เอาเลยพ่ออยากจะมีมี่สินเท่าไหร่ก็เอาเอาให้มันหมดตักไปเลยหมดจะได้เป็นพระเวทย์สันดอนไปอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราต้องการบุญมากก็เอาแบบพระเวทยสันดอนไม่อั้นเอาพ่ออยากจะไปมีนี่เท่าไหร่หนูจะตามจ่ายให้ทุกครั้งแล้ให้พ่อใช้จนทั้งเบื่อเลยละ เดี๋ยวพ อ, อาจจะสํานึกผิดก็ได้ว่าเรากําลังสร้างความทุกข์ให้กับลูกอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ฉะนั้นขอให้เราคิดว่าการทําบุญกับพ่อนี้เป็นทําบุญกับพาาระอรหันต์ได้บุญมากได้บุญมากกว่าทาบุญกับคนอื่นเช่นเดียวกับการทําบาปทําบาปกับพ่อแม่นี้ได้ได้บาปมากกว่าทำบาปกับคนอื่นเพ่อแม่ของเรานี้เป็นพาาระอรหันต์ของเราเราจึงควรเทิดทูนยกย่องท่าน อย่าไปลบหลู่ท่านอย่าไปทบปล่อยให้ท่านไว้อยู่ในที่ต่ำ เ, เชิดชูท่านเคารพท่านเลี้ยงดูท่านช่วยเหลือท่านแล้วเราจะได้บุญมากคาถามจากครูป๋อมผู้รู้ผู้คิดคือวิญญาณในเบญจขันธ์ใช่หรือไม่คะไม่ใช่วิญญาณในเบญจขันธ์เป็นผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผู้รู้ก็คือใจมโนโ ผู้คิดก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งคำถามจากคุณลิซ่าลูกเห็นมีการไหวส่งพระเสาทำบุญให้พระเสาอย่างนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกทางใช่ไหมคะคนเราไม่พึ่งตนเองแต่หวังพึ่งสิ่งต่างๆไม่ใช่ทางปฏิบัติลูกจึงปฏิเสธทางนี้ก็ไม่รู้พระเสาอยู่ที่ไหนมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเรื่องของความเชื่อแต่เราก็ไม่ควรลบหลู่ ใครเชื่ออะไรใครอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปแต่ถ้าเราเห็นว่าทําแล้วไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์อะไรทําไปแล้วก็เสียเวลาเปล่าๆแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยคาถามจากคุณหนึ่งทางโลกเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าได้เดินร่วมบิณฑบาตกับหลวงตามหาบัวขณะที่เดินไปนั้นหลวงตาได้สั่งสอนวิธีการปฏิบัติภาวนากับผมไปตลอดทางเดิน เมื่อเดินมาสักระยะหนึ่งได้มาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีพระรูปศิษย์หลวงตารออยู่เจดรูปผมจำไม่ค่อยได้ว่าเป็นองค์ไหนบ้างแต่จำได้ว่ามีหลวงปู่ลีพระอาจารย์สุดใจหลวงพ่ออินทวายอีกสี่รูปเดือนลานครับแต่น่าจะมีพระฝรังด้วยในกลุ่มนั้นและอาจจะมีพระอาจารย์ด้วยผมไม่มั่นใจเพราะตอนรู้สึกตัวดันลืมคบเลยไม่กล้าพูด เมื่อไปถึงหนองน้ำหลวงตาได้เดินเลี้ยวขวาไปทางขวามือตามคันหนองน้ำไปและไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหนองน้ำกับคณะลูกศิษย์ท่านส่วนตัวผมตกไปในหนองน้ำว่ายน้ำอยู่พักหนึ่งก็ขึ้นจากหนองน้ำได้แต่ขึ้นมาฝั่งเดิมครับไม่ได้ข้ามฝั่งไปเหมือนหลวงตาและคณะลูกศิษย์พอขึ้นจากน้ำได้ผมมองตามหลวงตาและคณะเดินหายไป ก่อนนอนผมพูดโทจนหลับครับกาบกาบเรียนถามกาบเรียนพระอาจารย์ผมปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วครับทุกวันผมจะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ที่ผมระลึกทุกวันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จโตหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นสมเด็จพญานาสังวรหลวงตามหาบัวหลวงพ่อฤาษีดิงลิงดำ หลวงปู่สุวัส์สุวัโจหลวงปูล่ลีหลวงพ่ออินทวายพระอาจารย์สุดใจและท่านพระอาจารย์ครับผมกับขอมเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายความฝันด้วยครับ อ, อ๋อความฝันมันก็เป็นความฝันเนี่ยก็มันก็อยู่ที่เราว่าเรารู้จักเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ออถ้ารู้จักเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่มาให้กาลังใจกับเราว่า เรากำลังไปในทางที่ครูบาอาจารย์ท่านกาลังไปเรากำลังเดินตามท่านไปมันก็จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะกระทาแต่ถ้าเราไม่สามารถเอามาให้กำลังใจหรือเ อ, เอามาแล้วทาให้เกิดเราท้อทแทบเราก็อย่าเอามาใช้มันก็เพียงแต่ให้รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามของต่างๆเราไม่ต้องเอามาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโทษกับเราเราก็ไม่ต้องเอามาลืมมันไปเสีย ของอหนถ้ามันเอามาแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็เอามาเอามาคิดเอามาจดเอามาจํามาให้กําลังใจกับเราไปขอาพวกนี้มันมีแค่นี้นะมัน ม, มีความหมายอยู่ตรงนั้นมันมีความหมายว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็ทิ้งมันไปไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเป็นประโยชน์เราก็เอามาใช้มันเช่นถ้าเรานอนเราฝันว่าเรานอนตายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประโยชน์เพราะเราต้องตายแน่ๆ เนี่ยเราจะได้เอาความฝันนี้มาคอยเตือนเราอนนี้เราตายไปแล้วนี่ใช่ในฝันเราตายไปแล้วตอนที่เราอยู่นี่ก็เป็นเพียงแต่รอเวลาที่เราจะไปตายทั้งนั้นเองถ้าเราเอามานิมิตอย่างนี้มาสอนใจเรามันก็จะทำให้เราโปร่งต่างๆได้ว่าในที่สุดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เราก็ต้องตายแล้วเราจะไปโลภอยากได้นี่ย น, นี่ทํามาทําไมให้เหนื่อยไปเปล่า ได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันต้องมาคอยดูแลรักษามันต้องมาหวงมาห่วงมันแล้วเวลาต้องไปก็ต้องทิ้งมันไปอยู่ดีงั้นอย่าไปหามันให้เหนื่อยยากดีกว่าถ้ามันจะมาก็ปล่อยมันมาถ้ามันไม่มาก็อยู่คนเดียวไปเนะี่ยดีที่สุดอยู่กับความสงบอยู่กับความสบายใจดีกว่าคำถามจากคุณขุนเดชข้อที่หนึ่งเมื่อเสวยผลกรรมในนรกภูมิขุมใหญ่แล้ว ยังต้องไปเสวยผลกรรมในนรกขุมย่อมแต่ทำไมเมื่อหมดบุญในชั้นสวรรค์ชั้นสูงต้องลงนรกเลยครับทำไมไม่ได้เสวยผลบุญในสวรรค์ชั้นต่าลงมาก็มันตามหลักแล้วมันก็แล้วแต่ไงว่ามันเวลามันบุญหมดแล้วมันมันบาปมันมีมากกว่ามันก็ดึงไปอบายได้แต่ถ้าบุญมันหมดในในช่วงที่มันเท่ากับบาปมันก็ไม่ต้องไป เพราะบาปก็ดึงไปไม่ได้บุญก็ดึงดึงไว้ไม่ได้มันก็ไปอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยน้นเรื่องของเรื่องของบุญของบาสนี่มันแล้วแต่ยอดมันว่มามันแล้วแต่ผลลัพธ์เวลามันมาบวกลบกันแล้วมันได้อะไรถ้าบวกลบยังเป็นบุญอยู่ยังเป็นบวกอยู่มันก็ยังเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศเราดูเงินของเรายอดของเรายังเป็นบวกอยู่เฮ้ยยังเที่ยวต่อได้เนี่ยว่ะแต่พอมันติดลบเแสดงแล้วเป็นหนี้แล้วก็ต้องกลับมา ทำงานหาเงินใช้หนี้ต่อนะแต่มันก็แบบเดียวกันเนี่ยเรื่องของบุญของบาปก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้มันบวกหรือลบถ้าบุญยังบวกอยู่มันก็ยังอยู่สวรรค์อยู่ถ้ามันลบมันก็ต้องไปอบายถ้ามันศูนมันเท่ากันก็ไปเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ข้อที่สองถ้าหากร้าฉันน้ำนมหรือโอวัลตินก่อนเที่ยงเพื่อให้มีพลัในการปฏิบัติให้มากขึ้น จะผิดตู้ดองขวัดในข้อฉันมือเดียวไหมครับผิดเนก็ให้ฉันมือเดียวนี่ฉันสองมือแล้วอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารมือเดียวก็ให้นั่งหนเดียวฉันตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยจบแล้วก็จบไม่ใช่พอล้างบาศเสร็จก็ขอนมอีกถ้วยขอกาแฟใส่นมอีกถ้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้ละฉันไม่ได้ละฉันหนเดียวถ้าอยากจะฉันอะไรก็ฉันตอนที่นั่งฉันนั้นฉันนมฉันกาแฟ ทันอะไรก็ฉันตอนนั้นหนเดียวให้มันเสร็จไปเลยพอลุกแล้วก็จบพ อ, อไปล้างบาทแล้วทีนี้เรื่องกินอาหารก็ไม่มีแล้วจะดื่มได้ก็เฉพาะน้าปานะเท่านั้นเองกับน้าเปล่าคำถามจากคุณวีรพงษ์ทุดงเขวัดที่ว่าไม่นอนเป็นนิดนี้ทำอย่างไรครับแล้วถ้าทำไม่ครบทั้งสิบสามข้อแล้ครับจะได้ผลไหมครับอ๋อทุดงนี้ไม่ได้ทำทั้งสิบสามข้อ ให้เราเลือกทําตามที่มันถูกกับอธัธยาสัยของเราถูกกับจริตของเราหรือถูกกับความสามารถของเราทําได้มากข้อก็ยิ่งดีถ้าทําได้ทั้งสิบสาข้อก็ยิ่งดีถือว่าเป็นนักเรียนระดับห้องคิงเลยสี่จุดนะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือให้รู้ความสามารถของเราการที่ไม่หลับนอนนี่ท่านก็ถือเป็นระยะระยะท่านไม่ได้ไม่ถือไปตลอดบางทีท่านอยากจะขยันไม่อยากจะ นอนมากท่านก็เลยถือสามวิทยาบทสามท่าคือท่ายืนท่าเดินท่านั่งแต่ไม่ไม่นอนง่วงนอนก็ไม่ไม่นอนในในท่านอนให้นอนในท่านั่งหรือท่ายืนไปมันก็จะนอนได้เดี๋ยวมันก็จะหลับได้เดี๋ยวเดียวฉันนั่งสับประหกอยู่สักพักเดียวมันก็ตื่นแต่ถ้านอนแล้วมันจะนอนยาวท่านเสียดายเวลาท่านอยากจะอาเวลามาปฏิบัติมากกว่าท่านก็เลยถือข้อนี้ข้อที่ไม่นอน แต่ถ้ามีกำหนดไม่ใช่ทั้งเดือนทั้งปีอะไรอย่างนี้บางทีเอาทีละสามวันทีละเจ็ดวันบางทีแค่วันวันพระเอาสักครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเอาสักครั้งหนึ่งก็เรียกเดสัตชิก ค, คือการไม่หลับนอนในคืนนั้นจะอยู่ในสามท่าถ้าจะหลับก็ให้อยู่ในท่าใดท่าหนึง่งในสามท่านั้นอาจจะไม่ไม่เอนหลังไม่นอนคำถามจะคุ้งปลานอนเวลานั่งสมาธิ ภาวนาพุโทโธแต่ยังไม่สงบเกิดปวดขาจะกำหนดรู้อาการปวดให้หายก่อนแล้วกลับมาบริกรรมพุโทโธต่อใช่หรือไม่คะ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกความปวดนี่เราไปกำหนดให้มันหายไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปกำหนดความปวดแล้วมันจะเกิดความอยากให้หายปวดมันยิ่งปวดขึ้นมาใหญ่แล้วมันปวดทางใจขึ้นมาซ้อนอีกทีมันก็เลยทาให้รู้สึกความปวดมันมากขึ้นแต่ความจรงิงความปวดทางร่างกายก็เท่าเดิม แต่มันถูกขยายด้วยความปวดของใจในวิธีที่เราจะไม่ขยายความปวดให้มากขึ้นก็คือเราต้องอยากไปสนใจกับความปวดทางทางร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่เกิดความอยากให้ความปวดนั้นหายไปให้เราอยู่กับพุโทโธไปต่อไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไปสนใจกับความปวดของทางร่างกายแล้วเดี๋ยวเราจะลืมมันพอลืมมาแล้วเราจะไม่ได้มีความอยากที่จะให้มันหายความปวดก็จะไม่ขยายตัวออกมาเราก็จะนั่งต่อไปได้ แล้วจิตเราพอสงบมันก็จะไม่ลำคาญกับความปวดทางร่างกายที่มันลำคาญเพราะใจมันไม่สงบใจมันเกิดความอยากให้ความปวดทางร่างกายหายไปมายิ่งทำให้ทรมานมากขึ้นจนกระทั่งทนต่อไปไม่ได้ความปวดทางร่างกายจะหายไม่หายไม่เป็นประเด็นขอให้ความปวดทางใจมันไม่เกิดหรือถ้ามันเกิดให้มันหายวิธีจะให้มันไม่เกิดหรือให้มันหายก็ต้องอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงความปวดทางร่างกายตอนนี้คำถามจากทางบ้านหมดค่ะหลวงพ่ออ่าได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวก็ได้กำลังมีพิมพ์เข้ามาอยู่ใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจอยากจะถามถามเพิ่มเติ ม, ตมก็ได้ตรงลง อ, อันเก่านี้ก็ามาใช้กับ YouTube เลยนี่ไงไอ้เครื่องเก่าที่เมื่อใช้กับเ c e b o o k มาก่อนเนี่ยตอนนี้รงมาที่ LINE แล้วอามาที่ไลน์อะ YouTube ก็ยังเครื่องเดิมเนี่ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ u t u b e ก็ใช้ iphone หรือว่าใช้ Android ใช้ i p h o n เจเจ็เหมือนกันแล้วอที่ไลน์อันเก่านี่ก็เป็น i p h o n เจเหมือนกันนะอ๋อแต่มันเป็น plus ใช่ไหมอันอัน t u b e นี่ธรรมดาครับ u ูทเป็น plus เหมือนกัน plus เหมือนกันอสองตัวนี้สเปเดียวกันอ่าสเปกเดียวกันแล้วไปงานลายตอนนี้เริ่มมีการถ่ายทอดแล้วเลย ครับตอนนี้ตอนนี้ถ่ายถ่ายอยู่ในกลุ่มมีคนดูอยู่สองคนฮะเลยครับเขาส่งข้อค้างเข้ามาอเป่าอเป็นเป็นพวกเดียวันอยู่ของเรานี้ยไงครทดสอบอยู่คยกันอยู่ว่าจะดึงพระบองก็เข้ามาในกลุ่มนะฮะแล้วเดี๋ยวหากลุ่มลายข้างล่างกันไลน์พระบองเขไปช่วงไปไปไปดึงเข้ามาไปดึงเข้ามาอีกทีนึงเดียไปสร้างเป็นกลุ่มปฏิบัติอันนี้เป็นขั้นตอนทดสอบกนครับ พลบางคนอาจจะสะดวกทางไลน์มากกว่าทางเฟซบุ๊กเนี่ยไลน์นี่พอี่พอพอปปบก็ใช้ดูได้เลยเร e ็วกว่าเนี่ยมาหรือยังคำถามยังไม่มาเลยค่ะไม่มาก็คุยกันไปก่อนเป็นไงตั้งแต่ไปผ่าตัดมานี่เวลาผ่าตัดจิตใจเป็นไงมีที่พึ่งไหมมีค่ะใช้ล้วตอนนี้หลวงพ่อสอนนะคะว่าให้ แยกกายกับแยกใจแล้วช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะแต่ว่าตอนนอนรอผ่าก็ไม่ไม่ตอนท่องเวนานโดพุทโธรัวๆๆเขาเหมือนยิ่งความดันยิ่งขึ้นเนาะค่ะก็เลยแบบนอนห้ามเพลงนอนแบบทําใจสบายๆว่างๆก็เลยแบบความดันก็ลงอพราะเราไปพุทโธแบบอยากให้มันอยากให้มันดีอยากให้มันไม่นตื่เกิดมันก็ยิ่งตื่นเต้นเนาะเพราะความอยากมันทําให้เราตื่นเต้น เราต้องพูดโทแบบไม่รู้ไม่ชี้ถ้าจะพูดโทก็พูดโทพูดโทไปเพื่อให้ลืมทุกอย่างไปหมดหลืมว่าเรากคงจะไปผ่าตัดหลืมว่าเราอะไรจะเกิดขึ้นกับเราช่างหัวมันให้ใจเราอยู่กับพูดโธถ้าพูดโธแบบอยา่างแล้วมันจะเครียดขึ้นมามันจะตื่นเต้นนพยายามพยายามไม่ไม่ไปอยู่กับอาการเจ็บว่ะค่ะแล้วอยากให้มันหายอยากให้มันหายพอ ย, ยาม<อ>าไมอไปส น, นใจมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ<อ>็บไปก็พออยู่ได้ไม่ทรมานใจค<ฆ>อ เห็นคุณค่าของธรรมะคุณค่าของธรรมะแต่พอตอนกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเลยค่ะอยู่กับคนที่บ้านเนี้ยก็ความอยากก็เกิดมันก็ขัดคอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หยุดมันเผรอเผรอค่ะมีเข้ามายังมีเข้ามาแล้วค่ะคำถามจากคุณสองเราถ้าตัวโยมเองเคยนับถือพระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง และทำบุญกับท่านประจําเมื่อ3มปีที่ผ่านมาท่านขอแชร์เฟซบุ๊กด่าทหารและอดีตนายกโยมอ่านแล้วรู้สึกว่าท่านทําในสิ่งไม่ควรและและเพ่งโทษท่านโยมจะบาปใหม่เจ้าคะไม่บาปถ้ามันเป็นความจริงเ่ยแต่เราถ้าเราไม่ไปกล่าวว่าท่านก็ไม่บาปเพียงแต่รู้ว่าท่านทําไม่ดีไม่ถูกไม่ควรนี่นก็รู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องการรับรู้เป็นการศึกษา อ, อื ก็รู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพระมันไม่ใช่กิจของสงฆ์คนจะไปทุดดงมไม่ใช่ไปอไปเข้าเฟซบุ๊กเพื่อไปวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้อันนี้เปนเรื่องของทางโลกเขานักบวชเขาไม่มีหน้าที่ทํางานเหล่านี้คําถามจากคุณสมทรงสวดมนต์ท่องในใจกับออกเสียงแบบไหนดีครับเในใจดีกว่าเพราะเราจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะได้พักแล้วใจจะได้สงบมากขึ้นถ้าเราต้องใช้ร่างกายใจก็ต้องทํางานควบคุมร่างกายสั่งร่างกาย <c oughs> ก็สงบน้อยลงงั้นถ้าสวดไปภายในใจได้ยิ่งดีถ้าหยุดสวดได้แล้วดูลมต่ออย่างเดียวได้ยิ่งดีอย์เพราะมันยิ่งจะสงบมากขึ้นไปมันเป็นขั้นเป็นขั้นขั้นต้นถ้ายังสวดถ้ายังสวดในใจไม่ได้ก็สวดออกเสียงไปก่อนพอสวดออกเสียงไปได้แล้วลอง ลองสวนในใจดูถ้าสวนในใจได้ก็หยุดออกเสียงพอสวนในใจได้แล้วต่อไปก็ลองอ่าพุทโธคำเดียวถ้าพุทโธคำเดียวได้หรือดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจไปจะดีกว่าเพราะไม่ต้องทำงานมากเพียงแต่ดูเฉยๆใจจะรวมจะสงบได้มากขึ้นถ้าใจไม่ต้องทำงานถ้าใอืมงั้นให้ดูเฉยๆให้เพ่งเฉยๆหรือให้บริกรรมอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธอย่างเดียว คำถามจากทางไลน์จากคุณโนรักษ์ตัดความอยากใช้อะไรในการพิจารณาคะใช้ตายรักเเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นยาพิษมันก็จะไม่อยากได้แต่ถ้าเห็นว่าเป็นขนมมันก็อยากจะได้ของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขเนี่ยมันจะสอกกลับเราสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์เนี่ยอยากมีแฟนเนี่ยคิดว่ามีแฟนแล้วมีความสุขเนี่ยเดี๋ยวเวลาทะเลาะกับแฟนเนึ่ยน้ําตาตกใน เวลาแฟนอ่าไปมีแฟนที่ไหนทีนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่คิดกันคิดว่าได้แฟนมาแล้วแฟนจะต้องเป็นแฟนไปตลอดไม่กลายเป็นเปดตแปอว่ากลายเป็นผีขึ้นมานี่นะตอนเห็นตายรักไม่แน่นอนไม่เที่ยงอันนี้จังแฟนเราไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นแฟนไปตลอดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมารไปอาจจะเป็นกลายเป็นคู่กัดกันไม่ใช่เป็นคู่รักกันเขาเรียกอันนี้จัง อนัตตาก็ไปห้ามเขาไม่ได้เวลาห้ามไม่ให้เขาเปลี่ยนไม่ได้อถึงเวลาเขาอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าเราเห็นนั้นที่จังทุกขังหน้าตาแล้วอกอยู่คนเดียวดีกว่าอสบายใจกว่าเนี่ยหยุดความอยากมีแฟนได้เอาแล้วนะมีข้อแม้ข้อสุดท้ายค่ะคำถามจ้าคุณปภาวดีถ้าปฏิบัติจนจิตเห็นความสว่างไม่มีร่างกายความคิดใด เรียกว่าอะไรคะและจะต้องทําอย่างไรต่อไปคะก็มันก็ใจเริ่มสงบนะแต่ก็ให้มันสงบไปนานๆนะอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้ามันจะคิดก็หยุดคิดมันอยากจะลุกก็อย่าเพิ่งไปลุกให้มันนั่งไปนานๆอยู่กับความว่างความสงบนั่นไปแต่อย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันถ้ามันจะหมดกําลังมันจะหายไปถ้าแสงสว่างหายไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ต้องการแสงสว่างเราต้องการความสงบความนิ่งของใจ ใจจะนิ่งได้ก็ต้องหยุดคิดถ้ามันเริ่มคิดก็ต้องหยุดคิดต่อไปพยายามนั่งนานๆให้มันสงบนานๆเพราะมันเป็นความสุขมากที่ถามอย่างงี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เจอความสุขต้องให้มันสุขมันล้องอ๋อขึ้นมาว่าอ๋อนี่คือความสุขสุขแบบงูแลบลิ้นเนี่ยหมายมันจะสุขแั๊บเดียวแล้วมันก็จะถอยออกมาถอยออกมาแล้วถ้ามันสุขแบบนั้นมันจะมันอยากจะกลับเข้าไปหาความสุขแบบนั้นต่อไป